พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าเกวัตตสูตรสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมแก่บุตรครืหบดีชื่อเกวัตตะพระผู้มีพระภาคประทันบนป่ามะม่วงของปาวาริกะใกล้เมืองนาลั น, านาทาณที่นั้นบุตรครืหบดีชื่อเกวัตตะเข้าไปเฝ้าขอให้ทรงชวนภิกษุผู้แสดงอิทธิปฏิหารได้ให้แสดง ก็จะมีคนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายท่านจงแสดงอิทธิปาฏิหารแก่ข้ารืหัดผู้นุ่งผ้าขาวแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามบุตรคฤรหัปดีชื่อเกวัตตะก็ยังยืนยันจะให้ทรงชวนภิกษุผู้แสดงอิทิปาติหารได้ให้แสดง ก็จะมีคนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงว่าปฏิหารที่ทรงทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองและประกาศแล้วมีอยู่สามอย่างคือ 1. อิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2. อาเทสนาปฏิหารดักใจทายใจได้เป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหารสั่งสอนมีเหตุผลดีเป็นอัศจรรย์แล้วทรงอธิบายวิธีแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์และสรุปในที่สุดว่าคนที่ไม่มีความเชื่อและเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่าภิกษุที่แสดงฤทธิ์ได้นั้นเพราะมีคันธาระวิชาคือวิชาของชาวคันธาระอาเทศนาปาฏิหาร ดักใจทายใจของคนได้คนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่าภิกษุที่ดักใจทายใจได้นั้นก็เพราะมีมานิกาวิชาครั้นแล้วทรงสแสดงถึงอนุสาสนีปาฏิหารคือการสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรตลอดจนการปฏิบัติได้ผลในสินสามประเภทในฌานสี่ในวิชาแปด ดังกล่าวไว้แล้วในสามัญญผลลสูตรแล้วสรงเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งคลองใจในปัญหาที่ว่าธาตุสีเป็นต้นจะดับโดยไม่เหลือในที่ไหนภิกษุรูปนั้นเที่ยวตระเวีนถามเทวดาต่างๆจนกระทั่งถึงเท้ามหาพรหมก็ตอบไม่ได้ในที่สุดเท้ามหาพรหมขอให้มาถามพระพุท ธ, ธเจ้าซึ่งตรัสสอนเป็นใจความรวบยอดว่า ดับวิญญาณเสียได้ท่าสีเป็นต้นก็ดับไม่เหลือในที่นั้นเป็นการแสดงว่าฤทธ์ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้แต่คำสั่งสอนสำคัญกว่า